วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สเจตุลาคมพุทธศักราชสอง6ห้าห้าสิหกเป็นวันพระวันธรรมสวรรคแปลว่าวันฟังธรรมพระพุทธเจ้าทรงเห็นความสำคัญของการฟังเทศฟังธรรม เป็นอย่างว่าจึงได้บัญญัติวันธรรมะสวนะนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะได้ให้พุทธบริษัตว์ได้ปล่อยวางภารกิจการงานทางโลกไว้หนึ่งวันเพื่อจะได้เข้ามาฟังเทศฟังธรรมฟังพระธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้าที่เปรียบเหมือนเป็นแผนที่นำทางชีวิตไปสู่ความเจริญความสุขความสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายถ้าไม่ได้มีการฟังเทศฟังธรรมอยู่อย่างต่อเนื่องก็จะหลงทางกัน แทนที่จะเดินทางเข้าหาความสุขก็จะเดินทางเข้าหาความทุกข์แทนที่จะเดินออกจากกองทุกข์ก็จะเดินเข้าหากองทุกข์กันพระพุทธเจ้าจึงต้องบัญญัติวันธรรมสวรรขึ้นมาเพื่อญาติโยมพุทธบาลศาส์สี่ จะได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอา น, นิสงส์ของการฟังธรรมนี้ก็มีอยู่ห้าประการด้วยกันคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังเรื่องที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองเรื่องที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วก็พอได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดียิ่งขึ้นไป สจะกำจัดความลังเลสงสัยต่างๆได้สจะทำให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดปัญญา 5. จะทำให้จิตใจผ่องใสสงบนี่คืออนิสงส์ที่พึงจะได้รับ <c oughs> จากการฟังเทศน์ฟังธรรม การที่จะได้รับอนิสงส์นี้การฟังเทศฟังธรรม <c oughs> ก็ต้องประกอบไปด้วยกายวาจาใจที่สงบกายก็จะไม่ทำอะไรนั่งเฉยๆวาจาก็จะไม่พูดขึ้นใจก็นิ่งไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ตั้งใจฟังเพียงอย่างเดียว ถ้านั่งไม่สงบคือนั่งไม่นิ่งทาภารกิจนั้นทำภารกิจนี้ใจก็จะไม่ได้จดจ่ออยู่กับการฟังเช่นเดียวกับการพูดคุยกันถ้าพูดคุยกันใจก็จะไม่ได้จดจ่ออยู่กับการฟังหรือถ้านั่งคิดไปถึงเรื่องราวต่างๆในขณะที่ฟัง ก็จะได้ยินแต่เสียงแต่จะไม่ได้สับได้แสงว่าเสียงนั้นมีความหมายว่าอย่างไรดังนั้นถ้าอยากจะให้เกิดอานิสงส์ทั้งห้าประการนี้จึงจาเป็นจะต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบอย่างที่เขาพูดไว้ว่าต้องมีศีลมีสมาธิก่อนถึงจะเกิดปัญญาขึ้นมา เกิดความเห็นที่ถูกต้องศีลก็คือความสงบกายสงบวาจานี่องส่วนสมาธิก็คือความสงบใจใจละงับความคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆแล้วตั้งใจฟังเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสกับหูเกาะติดอยู่กับเสียงธรรมนั้นไปเรื่อยๆเสียงธรรมนั้นก็จะ กลอมให้ใจเข้าสู่ความสงบซึ่งเป็นอนิสงฆ์หนึ่งในห้าของอนิสงฆ์ของการฟังธรรมถ้าฟังแล้วสามารถที่จะพิจารณาตามได้ก็จะเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจเกิดความเห็นที่ถูกต้องขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเอกอนิสงฆ์หนึ่ง แล้วก็พอเกิดความเห็นที่ถูกต้องก็จะสามารถกำจัดความสงสัยต่างๆไปได้นี่คือผลที่จะเกิดขึ้นมาแล้วการฟังธรรมนี้ก็จะได้ฟังในเรื่องที่เราปกติจะไม่ค่อยได้ฟังกันเรามักจะฟังเรื่องการบ้านการเมือง การทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องด้วยวิธีการาต่างๆเราจะไม่ได้ฟังเรื่องของการทําบุญให้ทานเรื่องของการรักษาศีลเรื่องของการพรอมเพรย์จิตตภาวนาเรื่องของการปลีกวิเวกเรื่องของการมักน้อยสันโดษเรื่องเรื่องของความ อุดสาหาวิริยะในการประกอบคุณงามความดีต่างๆเราจะไม่ได้ยินได้ฟังเรื่องของการชำระความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆกันแต่พอฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้พอเราได้ฟังครั้งแรกเราอาจจะไม่เข้าใจ ถึงความสาคัญของเรื่องที่เราได้ฟังมาแต่พอเราได้นำเอาไปปฏิบัติเราก็จะเห็นคุณเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติแล้วถ้าเรากลับมาฟังซ้าบ่อยๆเราก็จะเห็นความสําคัญเข้าใจลึกเข้าไปเรื่อยๆ เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติ <c oughs> ความการฟังเทศฟังธรรมจึงเป็นภารกิจที่สําคัญอย่างยิ่งของพุทธศาสนิ ก, กชนนอกจากการฟังเทศฟังธรรมนี้เราก็สามารถทําอย่างอื่นแทนได้เช่น การอ่านหนังสือธรรมะหรือการฟังธรรมที่ได้บันทึกไว้ในสื่อต่างๆเช่นในเทปในแผ่นซีดีอันนี้ก็เป็นการฟังเทศฟังธรรมเหมือนกันแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากสมัยพระพุทธการ เพราะสื่อต่างๆเหล่านี้ไม่มีในสมัยพระพุทธการจึงมีแต่การฟังเทศฟังธรรมเป็นการศึกษาเพียงอย่างเดียวแต่ต่อมาก็มีการจารึกไว้ในหนังสือแล้วผู้ที่มีความสามารถที่จะอ่านหนังสือได้ก็สามารถอ่านพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ เวลาอ่านก็เหมือนกับได้ยินได้ฟังจากพระโอษต์ของพระพุทธเจ้าเลยหรือของพระอรหันตสาบกทั้งหลายของครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบทั้งหลายโดยที่เราไม่ต้องไปหาท่าน <c oughs> ไม่ต้องไป น, งนั่งฟังต่อหน้าท่านเราสามารถรับฟังคำสอนของท่าน จากสื่อต่างๆได้สมัยนี้เราจึงมีโอกาสที่จะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมกันอย่างมากมากกว่าสมัยพระพุทธการเพราะว่าต้องเดินทางไปที่วัดถึงจะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมกันแต่เดี๋ยวนี้เราอยู่ที่ไหนเราฟังได้ตลอดเวลา ขณะเดินทางเราก็ฟังได้อยู่ในรถยนต์ก็มีเครื่องเล่นแผ่นเครื่องเล่นเทปหรือมีหนังสือที่เราเปิดอ่านได้ <c oughs> โอกาสของคนสมัยนี้จึงน่าจะดีกว่าสมัยก่อนเสียได้ซ้ำไปเพราะสามารถเข้าถึงพระธรรมคำสอนได้อย่างสะดวก ได้อย่างง่ายดายแต่เหตุที่ไม่มีการบรรลุกันก็เพราะว่าอาจจะไม่ให้มีความสนใจมากนะ <c oughs> จึงไม่ค่อยมีใครศึกษากันหรือว่าถ้ามีการศึกษากัน ก็มีแต่การศึกษาเพียงอย่างเดียวศึกษาแล้วไม่นําเอาไปปฏิบัตินําเอาไปวาดภาพจินตนาการจากความเข้าใจที่ได้ศึกษามาแล้วก็วาดว่าได้บรรลุท่านนั้นขั้นนี้แล้วอันนี้ก็เป็นเป็นโทษไม่ได้เป็นประโยชน์การปฏิบัตินี้ การจะบรรลุได้นี้ต้องเกิดจากการปฏิบัติปฏิบัติตามที่เราได้ยินได้ฟังมา <c oughs> ถ้าไม่ได้ปฏิบัติจะไม่มีความแตกต่างจากการที่ก็ตอนที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนอาจจะเร็วกว่าเดิมก็ได้เพราะเกิดความเข้าใจผิด เกิดอ่เกิดทิฐิความความถือตัวว่าตนเองรู้มากก็จะกลายเป็นบุคคลที่สอนยาก <c oughs> ดังนั้นนอกจากการฟังเทศฟังธรรมแล้วพอได้อานิสงส์แล้วก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติต่อ เพราะอานิสงส์ที่ได้นั้นยังไม่พอเพียงต่อการบรรลุมรรคผลนิพพาน <c oughs> ต้องเอาไปปฏิบัติต่อแล้วก็จะทำให้จิตใจนี้มี <c oughs> พลังมีกำลังที่จะต่อสู้กับภัยที่มีอยู่ในใจ ต่อสู้กับข้าศึกสัตรูที่เป็นผู้สร้างความทุกข์ให้แก่ใจการปฏิบัติทั้งหมดนี้การศึกษาทั้งหมดนี้ก็เพื่อนำเอาความรู้ที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปต่อสู้กับข้าศึกศัตรูผู้ที่คอยสร้างความทุกข์ให้แก่ใจข้็ศัตรูของใจคืออะไรก็คือติเลสตัณหานี่เอง เราให้ชื่อเขาว่ากิเลสตัณหาแต่ความจริงแล้วก็เป็นตัวเดียวกันเช่นกิเลสเราก็เรียกว่าความโลภความโกรธความหลงตัณหาเราก็เรียกว่ากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเหมือนกันทำลายกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาได้ ก็เท่ากับทำลายความโลภความโกรธความหลงได้ทำลายความโลภความโกรธความหลงได <c oughs> <c oughs> ้ก็เท่ากับทำลายกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณ ห, หาได้เ <c oughs> ครื่องมือที่จะใช้ในการทำลายกิเลตัณหาก็คือมรมครคมรรคนี้ก็มีหลายรูปแบบแต่ก็เป็นมรรคนันเดียวกัน เช่นมักที่มีองแปดก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นชอบสัมมาสังกปรแปลว่าความดำริชอบสัมมากรรมโตแปลว่าการกระทำชอบสัมมาวาจาแปลว่าการพูดวาจาชอบสัมมา อาชีวแปลว่ามีอาชีพชอบสัมมาวายโมวความเพียรชอบสัมมาสติ <c oughs> การละลึกรู้ชอบสัมมาสมาธิการตั้งมั่นของจิตชอบอันนี้เรียกว่ามรรคที่มีองค์แปดแต่บางทีเราก็จะได้ยินเป็นศีลสมาธิปัญญา อนนี้ก็เป็นมากเหมือนกันศีลก็คือสัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีวสมาธิก็คือสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปนี่เองแล้วเราก็อาจจะได้ยินทานศีลภาวนา อันนี้ก็เป็นมรรคเหมือนกันเพียงแต่มีทานเพิ่มขึ้นมาอีกข้อหนึ่งอันนี้เป็นมรรคของขราวาสของผู้ครองเรือนของผู้ที่ยังมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่จึงต้องทําทานสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองให้หมดไปถึงจะเข้าสู่ศีลและภาวนาได้ ศีลก็คือศีลห้าศีลแปดศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดตามลำดับภาวนาก็คือสมาธิและปัญญานี่สมถภาวนาก็คือสมาธิวิปัสนาภาวนาก็คือปัญญาอันนี้จะเป็นของนักบวชของผู้ที่ได้สละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง ทำทานจนหมดแล้วก็จะเข้าสู่ศีลสมาธิปัญญาหรือศีลภาวนานี่เองอดังนั้นขอให้เราเข้าใจว่าธรรมะเหล่านี้เป็นมักเหมือนกันเป็นเครื่องมือที่มีไว้เพื่อใช้ทําลายข้าศึกศัตรูของใจก็คือ กิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงกามรตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาถ้าเรา <c oughs> มีมรรคแล้วมรรคก็จะสามารถทําลายกิเลสตัณหาไปได้หมดพอไม่มีกิเลสตัณหาแล้วทุกก็จะไม่มีภายในใจทุกคืออะไรพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทุกก็คือความเกิด ความแก่ความเจ็บความตายความาพัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบการประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบแล้วโดยสรุปคืออุปทานในขันห้าคือความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายและความรู้สึกนึกคิด คือรูปเวทนาสัญญาสังขารมิ ญ, ญาณยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเราพอมีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราก็จะเกิดตัณหาขึ้นมาและตัณหาอยากจะให้ <c oughs> มีแต่ความสุขอยากจะให้ร่างกายนี้นมีแต่ความสุขอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย อยากจะพบอยากจะสัมผัสกับสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบอยากจะไม่สัมผัสกับสิ่งที่ไม่รักสิ่งที่ไม่ชอบ <c oughs> พอเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรามีมรรคเราก็จะสามารถทำลายความอยากต่างๆเหล่านี้ได้ พอมักจะสอนให้เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเช่นขันท้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นอนัตตาเป็นอนิจจังเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญมีการเสือ่อมเป็นธรรมดา เช่นมีการเกิดมีการแก่มีการเจ็บมีการตายไปเป็นธรรมดา <c oughs> ถ้าไปอยากแล้วก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอยากแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนความจริงได้ที่อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็ไม่สามารถที่จะไปทำให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้อยู่ดี ร่างกายก็ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนเดิมอย่างไม่ให้พัดพลากจากสิ่งที่รักที่ชอบก็ห้ามไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังมีการเกิดแล้วต้องมีการดับไปเป็นธรรมดามีมาแล้วก็ต้องมีไปเป็นธรรมดาถ้าใจมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังคปง คือมีปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาใจก็จะไม่ไปอยากกับสิ่งต่างๆไม่ไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ไปอยากให้ <c oughs> อยู่ไปนานๆไม่ให้แก่ไม่เจ็บไม่ตายให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารักเราชอบ อยู่กับเราไปตลอดให้สิ่งที่เราไม่ชอบนั้นไม่มาปรากฏกับเราอันนี้เราจะมาหยุดความอยากเหล่านี้เท่านั้นเราไม่ได้มาหยุดความแก่ความเจ็บความตายแต่สิ่งที่เราจะหยุดได้ถ้าเราหยุดความอยากได้ก็คือเราจะหยุดความการเกิดได้ เพราะการเกิดนี้ก็เกิดจากความอยากทั้งสามประการนี้เองคืออยากในรูปเสียงกลิ่นรสผธภัที่เรียกว่าการตันหาอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นภาวะตันหาและวิภวะตันหาเพราะไม่มีตันหาทั้งสามประการนี้อยู่ในใจแล้วเพราะถูกอำนาจของมรรคคือ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรคือปัญญาหรือวิปัสนาภาวนา <c oughs> ตันหาทั้งสามก็จะหยุดทำงานพอตันหาทั้งสามนี้หยุดทำงานพอร่างกายนี้ตายไปใจก็จะไม่กลับมาหาร่างกายอันใหม่อีกต่อไปเพราะตัวที่ทำให้เกิดนี้ได้ถูกทำลายไปหมดแล้ว ก็จะไม่มีการเกิดตามมาเมื่อไม่มีการเกิดตามมาก็จะไม่มีความแก่ความเจ็บความตายตามมาไม่มีการพัดพรากจากกันตามมาไม่มีความทุกข์ตามมานี่คือเป้าหมายของการฟังเทศฟังธรรมของการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ไปถึงจุดนี้ คือจุดที่จะทำลายกิเลสตัณหาที่เป็นผู้สร้างความทุกข์ผู้เป็นผู้ที่ดึงให้จิตต้องไปเวียนว่ายตายเกิดแกเ่เจ็บตายซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่อย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่พอได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังมรรคแปดได้ยินได้ฟังศีลสมาธิปัญญา ได้ยินได้ฟังทานศีลภาวนาแล้วนำเอาไปปฏิบัติก็จะสามารถที่จะ <c oughs> ทำลายกิเลสปัญหาผู้สร้างวกสร้างชาติสร้างความทุกข์ให้แก่ใจอย่างไม่มีวันหยุดสินไม่มีวันหยุดจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อได้มาพบกับพ่อพุทธเจ้า ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นในสมัยพระพุทธการพอได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนก็ปรากฏเป็นพระอาหารหันต์กันขึ้นมาเป็นจำนวนมากไม่ยากเลยถ้ามีผู้นำทางมีผู้บอกทางเช่นพระพุทธเจ้าเช่นพระธรรมคำสอนเพราะว่า พระธรรมคำสอนนี่แหละก็คือองค์แทนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ตอนก่อนที่จะจากไปว่าธรรมวินัยของตถาคตนี่แหละที่ตถาคตตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปดังนั้นเมื่อเราไม่มีพระพุทธสิ่งที่เราจะเข้าหาต่อไปก็คือพระธรรมกับพระอริยสงฆ์ พระอริยสงฆ์ก็เป็นผู้ที่รู้ธรรมเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่จะนําธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ให้แก่พวกเราตามลําดับกันกต่อเ น, นื่องเราจึงยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นศารณะเป็นที่พึ่งกันเพราะว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะสามารถนําทางนําพาให้พวกเราได้ไปสู่การ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้เราได้ไปสู่พระนิพพานที่มีแต่บรมมบสุขมีความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่มีความทุกข์าผสมด้วยเป็นความสุขบริสุทธิ <c> ์ <oughs> ถ้าเป็นทองคำก็เป็นทองคำร้อยเปอร์เซ็นไม่มีอะไรมาเจือปล อันนี้แหละคือประโยชน์ที่เราจะได้รับถ้าเราได้พบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคำสอนได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนแล้วนำเอาไปปฏิบัติด้วยวิริยะอุตสาหะด้วยความเข้มแข็งอดทนไม่ท้อแท้ไม่เบื่อนาย จะง่ายหรือจะยากก็ทำไปตามหน้าที่ทำไปเท่าที่กำลังจะสามารถทำได้แล้วก็จะได้ผลอย่างแน่นอนอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างขึ้นอยู่กับอินรีย์คือความรู้ความสามารถที่มีอยู่ถ้ามีน้อยก็อาจจะใช้เวลามาก เพราะจะต้องเติมอินรีย์ให้แก่ก้าขึ้นไปเช่นมีวิริยะน้อยมีศรัทธาน้อยมีสติน้อยมีสมาธิน้อยมีปัญญาน้อยถ้ามีน้อยก็ต้องทำให้มากทำให้มีมากถ้ามีมากแล้วก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างรวดเร็วได้ง่ายได้ เช่นบรรดานักบวชทั้งหลายในสมัยพระพุทธการในยุคที่พระเจ้าทรงประกาศพระธรรมคำสอนในยุคแรกคนที่ฟังธรรมนี้ด้วนเป็นนักบวชทั้งนั้นนักบวชนี้เป็นผู้ที่มีอินทรีย์ที่แก่กล้ากันมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่แก่กล้ากันพอได้ยินได้ฟัง พระธําคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงให้เห็นว่าอะไรเป็นเหตุของความทุกข์อะไรเป็นเหตุที่จะทำลายเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ได้พอฟังแล้วเข้าใจก็สามารถปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วฟังครั้งแรกก็บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาเลยนั่นก็คือพระอัญ ญ, ญโกนณัญะ ฟังเพียงครั้งเดียวก็ได้บรรลุอริมักอริยมักขั้นที่หนึ่ง อ, อริยผลขั้นที่หนึ่งคือพระโสดาบันโสดาปัฏิผลพอฟังไปอีกสองสามครั้งก็ได้บรรลุเป็นได้บรรลุอรหัตผลกันทั้งห้ารูปเลยคือพระปัญจัวคัคคีต่อจากนั้นก็ทรงไปโปรดบรรดานักบวชในลัทธิต่างๆ พอได้ฟังกันทั้งสำนักก็บรรลุกันทีทั้งสำนักเลยเช่นมีสำนักหนึ่งมีพระอยู่ห้าร้อยรูปพอได้ยินได้ฟังทำก็บรรลุพร้อมกันเลยเพราะว่าท่านเหล่านี้ท่านมีอินทรีย์ที่แก่ก้าแล้วถ้าเป็นมีดก็มีดที่แหลมคมอยู่แล้วรอเพียงแต่บอกให้ให้ฟันที่ตรงไหนเท่านั้นเองเมื่อก่อนไม่รู้ว่าข้าศึกัตรู อยู่ที่ตรงไหนกัน <c oughs> มีมีแต่ไปฟันสิ่งที่ไม่ใช่เป็นข้าศึกศัตรู ก, ก็เลยไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ได้ไม่รู้ว่าข้าศึกศัตรูที่แท้จริงก็คือตั้หาความอยากไม่รู้ว่าข้าศึกศัตรูที่แท้จริงก็คือความหลงความหลงนี้เป็นผู้ทําให้เกิดความอยาก ความหลงคืออะไรก็คือการไม่รู้อนิจจังทุกขังอนัตตานี่พอพระพุทธเจ้าทรงสอนอนิจจังทุกขังอนัตตาครับ ก, ก็เข้าใจทันทีพอรู้ว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความอยากต่างๆก็จะถูกทำลายไปหมดเพราะใครอยากจะได้สิ่งที่ไม่เที่ยงบ้างมีใครอยากจะได้สิ่งที่เป็นทุกข์บ้าง มีใครอยากได้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราบ้างได้มาแล้วก็ต้องคืนเขาไปได้มาทำไมให้เสียเวลาไปเปล่าๆอันนี้แหละเรื่องของเอ็นซีสมัยพวกเรานี้อาจจะมีเอ็นซีไม่แก่ก่้ากันเพราะเราไม่ได้ทุ่มเทเวลาให้กับการสร้างเอ็นีคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญากัน เรากับเอาเวลาไปสร้างกำลังให้แก่ข้าศึกศัตรูกันเรากลับไปทำตามความโลภความโกรธความหลงกันทำตามความอยากกันข้าศึกศัตรูของเราก็เลยมีพลังมากกว่าอาวุธของเราอาวุธของเราก็คือเอนซมของเราอ่อนมากเพราะว่าละมัวแต่ไปส่งเสริม ฆ่าศึกศัตรูให้มีกําลังมากทําไมเราถึงทําอย่างนี้ก็เพราะความหลงของเรานี่เองเราไม่รู้ว่าเรากําลังส่งเสริมฆ่าศึกศัตรูให้มาสร้างความทุกข์ให้กับเราทุกครั้งที่เราโลภเราสร้างฆ่าศึกศัตรูเราส่งเสริมฆ่าศึกศัตรูให้มีกําลังมากขึ้นทุกครั้งที่เรากโกรธทุกครั้งที่เราหลงทุกครั้งที่เรา มีความอยากในรูปเสียงกิ่นนททุกครั้งที่เรามีความอยากมีอยากเป็นทุกครั้งที่เรามีความอยากไม่มีอยากไม่เป็นมันก็จะทำให้ความอยากเหล่านี้มีพลังมากขึ้นมีกำลังมากขึ้นมีความโลภมากมากขึ้นมีความโกรธมากขึ้นมีความหลงมากขึ้นและทางที่ถูกเราต้อง ทำให้มันมีกำลังอ่อนลงวิธีที่จะทำให้มันอ่อนลงก็ต้องฝืนไม่ทำตามความอยากไม่ทำตามความโลภทำตามความโกรธทำตามความหลงวิธีที่จะฝืนได้ก็ต้องใช้มักที่มีองแปดหรือทานศีลภาวนานี่แหละทีนี้เราจะทำทานศีลภาวนาได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของเรา เรามีอินทรีย์มากเราก็จะทำได้มากมีอินทรีย์น้อยก็จะทำได้น้อยเช่นคนมีอินทรีย์น้อยก็อาจจะทำทานทีละเล็กเลือน้อยครั้งละนิดข้างละหน่อยแต่ผู้ที่มีอินทรีย์มากก็สามารถทำทีเดียวหมดเลยสมมติมีร้อยก็สละไปหมดเลยไม่ต้องมีสมบัติแล้วก็จะได้ไปบวชได้ ไปบำเพ็ญปฏิบัติศีลได้อย่างเต็มร้อยภาวนาได้อย่างเต็มร้อยอันนี้สแสดงว่าเป็นผู้ที่มีอินทรีย์มากมีศรัทธามากมีวิริยะมากมีสมมีสติมีสมา ธ, มมาธิมีปัญญามากจึงสามารถฟันฝ่าอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ในความสุขที่ได้จากการทำความตามความอยากทำตามความโลภต่างๆอันนี้เป็นเรื่องของแต่ละคนจะต้องเสริมสร้างกันขึ้นมาเสริมสร้างศรัทธาเสริมสร้างวิริยะเสริมสร้างสติสมาธิปัญญากันขึ้นมาศรัทธาก็คือต้องฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันตสาวกถึงจะเกิดศรัทธาถ้าไปฟังธรรมของผู้ที่ไม่ใช่เป็นพระอริยสาวกไม่ได้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าฟังแล้วจะทําให้หลงทางแทนที่จะเกิดศรัทธาที่จะต่อสู้กับความรู้ความโกรธความหลงต่อสู้กับความอยากต่างๆก็กลับจะ ทำให้มีศรัทธาที่จะทำความโลภให้มากขึ้นทำความอยากให้มีมากขึ้นเพราะถูกสอนว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนั้นจะได้อย่างนี้ก็เกิดความอยากขึ้นมาอยากจะร่ำอยากจะรวยต่อไปอยากจะมีอายุยืนยาวนานขึ้นเช่นเวลาไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยหมอดูก็บอกว่าให้ไปทำบุญ ทำแล้วอายุจะยืนยาวนานจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บก็อยากทำทำแต่เฉพาะเวลาที่ไม่สบายเท่านั้นพอเวลาหายจากไม่สบายแล้วก็หยุดทำไอ้อย่างนี้ก็ไม่ได้ทำเพื่อตัดกิเลสตัดความอยากแต่เป็นการทำต่อต่อเติมความอยากต่อเติมกิเลสให้มีกำลังมากขึ้นนั่นเอง ดัง น, นั้นเวลาฟังเทศฟังธรรมเราต้องฟังจากสารณะของเราเท่านั้นคือจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราฟังจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วท่านจะสอนให้เราละความโลภความโกรธความหลงละความอยากต่างๆแม้ความอยากจะหายจากโรคภัยแค่เจ็บก็ไม่ให้มีความอยากไม่ตายนี้ก็จะไม่ให้มี เพราะว่ามันมีมั น, เ ป, น, เ, ปนเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจนั่นเองเวลาอยากจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วถ้าไม่หายนี่จะทาให้ทุกทรมานใจขึ้นมากหลายเท่า <c oughs> แต่ถ้าไม่มีความอยากให้มันหายมันจะหายก็หายมันไม่หายก็ไม่เป็นไรอันนี้ใจก็จะไม่ทุกจะไม่เดือดร้อนดังนั้นเราต้องฟังทำให้มากๆเพื่อจะได้เกิดศรัทธา ที่เราจะได้มาปฏิบัติทำลายกิเลสตัณหาต่างๆที่มีอยู่ในใจพอเรามีศรัทธาแล้วเราก็จะมีวิรยิยะอุตสาหะความภาคเพียนจะภาคเพียน <c oughs> ปฏิบัติทานศีลภาวนาพอเรารู้ว่าเป็นเครื่องมือที่จะทำลายความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆทำลายความทุกข์ที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้ได้ เราก็จะเพียรกับการสร้างสติเพราะสตินี้เป็นธรรมด่านแรกที่เราจะต้องมีก่อนที่เราจะเข้าสู่ขั้นที่สองขั้นที่สามได้ก็คือสมาธิและปัญญาถ้าไม่มีสติแล้วปฏิบัติไปอย่างไรก็จะไม่สามารถทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้ถ้าไม่มีสมาธิ ก็จะไม่สามารถที่จะเจริญปัญญาให้เกิดสมาธิตฐิให้เห็นว่าทุกนี้เกิดจากความอยากและการดับทุกข์ก็คือการหยุดความอยากหยุดด้วยการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราจิตไม่สงบจะไม่เห็นจะไม่เข้าใจหลักของอริยสศศศัจสีว่าเป็นอย่างไรดังนั้นขั้นแรก พอเรามีศรัทธามีวิริยะแล้วเราก็ต้องเจริญสติให้มากเจริญแน้แต่ตื่นจนหลับเลยถึงจะเรียกว่ามากพอตื่นขึ้นมาถ้าใช้พุทธานุสติก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปตลอดเวลาทั้งวันถ้าจะหยุดก็หยุดตอนที่ต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องการทำงานหรือเกี่ยวกับเรื่องที่จำเป็นถ้าไม่มีเรื่องงานเรื่องการเรื่อง อะไรที่จำเป็นก็จะบริกรรมพุโทโธไปเรื่อย เ, เพื่อสกัดความคิดปรุงแต่งความคิดเพ้อเจอ้อเพ้อฝันคิดเรื่อยเปื่อยพอมีพุโทโธคอยสกัดไว้ความคิดเหล่านี้ก็จะไม่เกิดพอไม่เกิดใจก็จะว่างใจเย็นจะสบายเวลานั่งสมาธิก็จะจิตก็จะรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกขั ก, กตาลมเป็นอุเบกขา จากแต่ว่ารู้มีความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้พอได้ความสงบได้ความสุขแล้วเวลาออกจากสมาธิมาเวลาปัญหาเกิดขึ้นมาเวลาความโลภเกิดขึ้นมาความโกรธความหลงเกิดขึ้นมาจะทำให้ใจนี้ร้อนขึ้นมาทันทีจะรู้เลยว่านี่แหละคือปัญหา นี่แหละคือความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆก็คือความร้อนใจถ้าอยากจะทําให้ใจสงบเย็นสบายเหมือนขณะที่ในสมาธิก็จำเป็นจะต้องหาวิธีสอนใจไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไม่ให้อยากได้สิ่งต่างๆวิธีที่จะทําให้ใจไม่โลภไม่โกรธ ไ, ไม่หลงไม่อยาก ก็คือต้องเห็นว่าสิ่งที่โลกที่อยากได้นี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือไม่เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปแล้วก็เป็นสิ่งที่สั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้เป็นอนัตตาพอเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งที่ใจอยากได้ใจก็จะหยุดอยากทันที เหมือนกับอยากจะได้ของที่เราไม่รู้ว่าเป็นภัยกับเราพอมีคนมาบอกว่าของชิ้นนี้เป็นภัยถ้าได้มาแล้วจะทําให้ชีวิตล่มจมนี้เราก็จะไม่อยากได้ทันทีทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นอย่างนั้นทั้งนั้นแต่เราไม่รู้กันรากยศสัมถเสริญรูปเสียงกลิก่นรสโพธฐพะรูปคนต่างๆสิ่งต่างๆนี้ ล้วนเป็นสิ่งอัปมงคลทั้งนั้นแต่เราถูกความหลงหลอกให้ไปคิดว่าเป็นของมองคลกันอยากจะได้กันอยากจะได้ราบยศสระเสริญอยากจะได้รูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะกันแล้วผลเป็นยังไงผลก็มีแต่ความทุกข์กันมีมากมีน้อยก็ทุกข์เหมือนกันหมดทุกข์เพราะความอยากได้ของอันเดียวกันอยากได้ราบยศสระเสริญ อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผดสะพที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เองพอเห็นอย่างนี้แล้วใจก็จะหยุดความอยากได้ <c oughs> แล้วก็จะอยู่อย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรเพราะความสุขของใจนี้ให้ความอิ่มความพอตลอดเวลาเหมือนกับเป็นมาเาศษฐีโดยที่ไม่มีอะไรเลยแม้แต่ชิ้นเดียว แต่กับมีความอิ่มมีความสุขมากกว่าเศรษฐีร้อยล้านพันล้านแสนล้าน <c oughs> เพราะเศรษฐีร้อยล้านพันล้านแสนล้านนี้ไม่มีความอิ่มไม่มีความพอเพราะยังมีความอยากอยู่มีร้อยล้านแสนล้านก็ยังอยากจะมีต่อไปมีเพิ่มมากขึ้นอันนี้แหละคือเงินที่สงที่เราจะได้รับ จากการมาฟังเทศฟังธรรมกันฟังแล้วก็ขอให้เรานำเอาไปปฏิบัติกันเอาไปเจริญทานศีลภาวนาเอาไปเสริมสร้างอินทรีย์ศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาให้มีพลังมีกำลังมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วไม่ช้าก็เร็วผลที่พระพุทธเจ้าและ พระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับกันก็จะเป็นผลที่เราได้รับเช่นเดียวกันเพราะธรรมนี้เป็นอากาลิโกไม่ขึ้นกับการกับเวลาไม่ได้กําจัดว่าจะต้องอยู่ในยุคของของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ถ้ามีเหตุเหมือนกับสมัยพุทธกาลผลก็จะเกิดขึ้นเหมือนกัน มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นสมัยไหนอยู่ที่ว่าเหตุมีหรือเปล่าถ้าเหตุคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอยู่ผลคือมรรคผลนิพพานย่อมปรากฏตามมาอย่างแน่ทอนคือที่เราสวดกกนสุปฏิปันโนอุชุยายะสามิจิปฏิปันโนเอสะภะกัวโตซาวกสังโคมีบุคคลสี คู่ด้วยกันก็คือพระโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกิทาคามีมัคสกิทาคามีผลอนาคามีมัคอนาคามีผลอรหัตตมัคอรหัตผลด้านนิพพานนี่คือ <c oughs> ผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใด ตลาใดที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ตาบนั้นพระอาหารหันจะไม่ว่างจากโลกนี้ไปนี่เป็นคำตัดของพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดว่าพระอาหารหันนี้หมดยุคหมดสมัยไปแล้วเพราะว่าตถาคตไม่ได้อยู่มาเป็นผู้สั่งสอนแล้วเพราะว่าตถาคตยังมีตัวแทนอยู่มีธรรมวิฎยที่ตัดไว้ชอบแล้วอยู่ ถ้าศึกษาพุทธรรมวินัยอันนี้แล้วปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอันนี้ได้มากผลให้ผ่านก็จะย่อมเป็นผลที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอนฉะนั้นขอให้เราอย่าลังเลสงสัยอย่าประมาทในความสามารถของพวกเราพวกเราทุกคนนี้มีสิทธิเท่าเทียมกันหมดทุกคนอยู่ต่างกันอยู่ที่ความขยันอยู่ที่ศรัทธา ว่าเราจะทุ่มเทชีวิตจิตใจเวลาของเราให้กับการปฏิบัติมากน้อยเพียงไหนเท่านั้นเองถ้าทุ่มเทมากผลก็จะเกิดมากและเกิดเร็วถ้าทุ่มเทน้อยผลก็จะเกิดน้อยและเกิดช้าก็มีตรงนี้เท่านั้นจึงขอฝากเรื่องของการมาฟังเทศฟังธรรม <c oughs> ในวันธรรมสวนานะนี้ให้ท่านได้นำสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง ในวันนี้ไปพินิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานสิ่งที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดของโลกนี้ให้เกิดขึ้นตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยาถาวาริกวาหาปุราปาริกปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกาปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจัตุสัพเหปุเรนตุสังกะปาจันโทปนาระโสยาถามณีโชติ ราโสยถาสัพพิตโยวิวัจันตุสัพโรโววินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโภพะอภิวาทนสีลิสะนิจังุทาปจายโนจตารโรธรมมวทานติอายุวันโอสุขังภาลาง ท่านที่มาที่หลังอยากจะเอาของเข้ามาถวายหรือยังไม่ได้รับหนังสืออยากจะได้หนังสือซีดีก็เชิญเข้ามาหยิบได้ตามสบายก็จะมีการตอบปัญหากันต่อไปมีคาถามคาตอ บ, ตอบใครฟังแล้วยังไม่พอใจไม่จุใจยังไม่ชัดเจน อยากจะถามอะไรก็เชิญถามได้เชิญขอเนืาอถามเรื่องปฏิบัตินิดนึงนะคะก็จะเป็นช่วงนี้มีสมองอันก็คือช่วงช่วงนั่งเนี่ยจำได้แต่ว่ามันไม่หลับพระคือเหมือนนำตามจุดอยูนะคะ่ะแล้วมันจะรู้สึกว่าบังทีวรพันเนี่ยมันจะกลับมาแล้วมันจะหาย ม า, าไปป so huh. ๊บเธอถ้าหลุดเราหลุกตรงเนี้ยนี่มันเหมือนมันจะแบบลงไปปุ๊แล้วก็กลับมาอย่างเงี้ยมันจะเป็นอยู่เรื่อยๆนามจิตนี่ตามยังไงก็มันเหมือนว่าเหมือนมันง่วงอยู่อะค่ะก็ก็ดูดูดูดูดูใจแล้วก็มันอ๋อไอ้นี้ไม่ได้เรียกว่านั่งภาวนาก็ไม่ทราบว่านั่งอะไรมันนั่งได้หลายรูปแบบก็คือก็พุทโธไปด้วยอะค่ะแต่ว่าถ้าตั้งพุทโธก็ต้องอยู่กับพุทโธอย่างเดียว อย่าไปสนใจกับเรื่องอย่างอื่นถ้าถ้าไปสนใจกับเรื่องอย่างอื่นก็ในกว่าไม่ได้ภาวนาไม่ได้เจริญสติการเจริญสตินี้ต้องอยู่กับอารมณ์ที่เรากำหนดไว้เพียงอย่างเดียวถ้าเรากำหนดพุทโธเราก็ต้องอยู่กับความว่าพุทโธไปอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจว่าจิตมันจะเป็นอะไรอย่างไรอย่าไปสนใจอย่าไปตามดูมันเราต้องเกาะติดอยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียว เมื่อขับรถนี่ขอให้เราอยู่ที่พวงมาลัยอย่าไปดูสิ่งต่างๆที่เราเห็นขนณะที่เราขับรถเห็นข้างทา ง, ทางเห็นข้างซ้ายเห็นข้างขวาแล้วก็เพลินตามไปดู <S <S เดี๋ยวรถก็วิ่งตกเหวได้ให้อยู่กับพุทโธเพราะตัวพุทโธนี้จะเป็นตัวควบคุมใจให้สงบ <S <S 2> <S 2> พอไม่อยู่กับพุทโธแล้ว <S <S เดี๋ยวใจมันก็เริ่มไปเที่ยวละไปรู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้ รู้มากน้อยถึงไหนก็ไม่จะทำไม่ให้ใจสงบมไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากจะให้ความเพลิดเพลินไปชั่วขณะหนึ่งนั้นเท่านั้นเองแล้วบางทีถ้าบางทีบางทีอยู่พุทโธและใจสงบแต่ว่ามันจะมีอาการที่แบบกดตรงนี้มานั่นแหละมันจะเป็นยังไงไม่ต้องไปสนใจอยู่แต่พุทโธเพียงอย่างเดียวจนกว่าทุกอย่างจะหายไปหมดว่างสักหรือแต่สักแต่ว่ารู้ ถ้ามันสงบจริงๆความรู้รับรู้เรื่องของร่างกายนี้ก็จะหายไปเลย mm hmm. ไม่มีร่างกายให้เรารับรู้มีแต่ตัวจิตตัวเดียวมีแต่ความสงบความว่างเพียงอย่างเดียวเราถ้าว่างเคยเคยเคยเคยเคยเประสบการณ์อย่างนั้นแต่ว่าพอว่างเสร็จแล้วทําไงต่อก็ <c oughs> ถ้ามันว่างแล้วมันก็มันก็จะนิง่งมันก็จะสบายมันก็จะอยู่อย่างนั้นไปตามกําลังของสติที่เรามีอยู่ จนกว่ามันจะหมดกำลังมันก็จะถอนออกมาเองออกมารับรู้ภาวะตามปกติถ้าเราอยากจะปฏิบัติต่อเราก็พุโทโธต่อไปถ้าหมายความว่าถ้าถ้าสมาธิของเรานี้ยังไม่ชำนาญเราก็มาฝึกสติต่อมาพุโทโธต่อในท่านั่งก็ได้ในท่ายืนก็ได้ในท่าเดินก็ได้ ถ้าเรานั่งแล้วมันเมื่อยเราก็ลุกขึ้นมาเดิน mm hmm. เปลี่ยนอิรยาบถแต่เราก็เจริญสติเหมือนกับเวลาที่เรานั่ง mm hmm. ก็คือพุทโธต่อไปไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆนานาพอเราเดินเมื่อยแล้วเราก็กลับมานั่งใหม่แล้วก็พุทโธต่อใหม่ mm hmm. อย่างนี้ก็ใจก็จะกลับเข้าสู่ความสงบได้ใหม่ถ้าเราทําอย่างนี้บ่อยๆนานๆเข้ามันก็จะเกิดความชํานาญเข้า เราต่อไปเราจะเข้าสมาธิได้อย่างรวดเร็วง่ายได้เพราะเรารู้จักวิธีมีความชำนาญพอเราชำนาญเกี่ยวกับเรื่องการเข้าสมาธิแล้วท่านต่อไปเวลาเราออกจากสมาธิเราก็เข้าสู่ขั้นปัญญาได้ mm hmm. เราก็ศึกษาความจริงของสิ่งต่างๆที่ใจเรามาหลงยึดติดอยู่ใจเรายึดติดเยอะกับอะไร ส่วนภายนอกก็ยึดติดกับลาบยศดสรรเสริญยึดติดกับรูปเสียงกลิ่นลดผลพระยึดติดกับบุคคลนั้นบุคคล น, นี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ต้องศึกษาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาถ้าเราศึกษาสอนใจไว้บ่อยๆเวลาเกิดเหตุการ์ขึ้นมาจริงๆใจเราจะได้ไม่เศร้าโศกเสียใจ ไม่ทุกข์กับการดับของสิ่งต่างๆถ้าใจเรายังทุกข์ก็แสดงว่าเรายังไม่มีปัญญาพอที่จะต่อสู้กับความอยากความอยากนี้จะอยากให้สิ่งต่างๆอยู่ไปนานๆไม่อยากให้จากเราไปแต่ไม่มีอะไรที่จะเราจะสามารถไปควบคุมไปบังคับได้ให้เขาอยู่นานๆเขาจะอยู่นานไม่นานนี้เราไม่มี อำนาจที่จะไปสั่งการได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องพร้อมที่จะให้เขาจากไปทุกเวลานาทีเพราะว่าเขาไม่เที่ยงเขาต้องจากแน่ๆเพียงแต่ว่าเขาจะจากไปเร็วหรือจากไปช้าหรือว่าเราเขาไม่จากไปเราอาจจะจากเขาไปก็ได้ให้คิดอย่างนี้ไว้พอเวลาเกิดการพัดภากจากกันก็จะได้ไม่มีความทุกข์ใจไม่ต้องกระโดดตึกตายกัน ไม่ต้องกินยาพิษไม่ต้องฆ่าตัวตายคนที่ฆ่าตัวตายก็เพราะว่าไม่พบกับความดับของสิ่งที่ตนรักแล้วรับไม่ได้แต่ถ้าเราคอยสอนใจให้รู้ล่วงหน้าไว้ให้เตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ต่างๆพอเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นใจก็จะเฉยเป็นอุเบกขาไม่เกิดความอยากถ้าไม่เกิดความอยากก็จะไม่กินความทุกข์ตามมา อันนี้คือเรื่องของปัญญาปัญญานี่การเจริญปัญญานี่ก็มีสองสองลักษณะเป็นแบบทำการบ้านไปก่อนเช่นเราเตรียมตัวสอนใจให้รู้ถึงสิ่งเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราลักก็คือการสูญเสียเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนอันนี้เป็นการทาการบ้านไว้พอเวลาเกิดเหตุการ์ก็เหมือนกับการเข้าห้องสอบ พอเราทำการบ้านไว้พอเข้าห้องสอบเราก็จะทำข้อสอบได้เราก็จะสอบผ่านเราจะไม่ทุกกับการสูญเสียของสิ่งต่างๆที่เรารักเราชอบอันนี้เรียกว่าเป็นการทำการบ้านเพื่อเตรียมตัวเข้าห้องสอบแต่บางเวลานี้เข้าห้องสอบเราถูกบงังคับให้เข้าห้องสอบทันทีทันใดเลยโดยที่เรายังไม่ได้ตั้งตัวออกมาก็เจอคนนั้นด่าเราเลยอย่างนี้ อันนี้เลยออกมาก็เจอ โ, โจรมาป้นมาจี้มาขโมยข้าวของไปเลยนั่งสมาธิพอออกมาเอาของหายไปหมดแล้วอันนี้เราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเรายังมีความอยากให้ของต่างๆนั้นอยู่กับเราต่อไปตอนนั้นเราก็ต้องใช้ปัญญามาทําข้อสอบนี้ให้ได้ต้องพิจารณาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่หายไปนี้มันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่เที่ยว ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจไม่โกรธไม่ทุกข์กับการสูญเสียของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนี่เกินเรื่องของการเจริญปัญญาถ้าไม่มีสมาธิจะทําไม่ได้เพราะว่าอความอย่างนี้มันจะมีกําลังมากเราจะไม่มีกําลังที่จะต้านมันได้พอสูญเสียอะไรนี่มันจะโกรธจะเสียใจขึ้นมาทันที พอโดนใครเขาพูดใครเขาว่าหน่อยก็จะโกรธขึ้นมา ท, ทันทีแต่ถ้าเรามีสมาธิในใจของเราจะหนักแน่นถึงแม้จะโกรธแต่มันไม่มีกำลังมากเหมือนกับขณะที่ไม่มีสมาธิแล้วถ้าเราใช้ปัญญาเราก็จะสามารถที่จะดับมันได้นี่คือขั้นของปัญญาก่อนที่เราจะเข้าสู่ขั้นปัญญานี้เราต้องมีสมาธิพอสมควรก่อน พอมีกำลังที่จะสนับสนุนให้เราต่อสู้กับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากให้ได้ก่อนนี่คือเรื่องของการภาวนาที่เรียกว่าสมะถะและวิปัสสนาภาวนาหรือสมาธิและปัญญาขั้นต้นนี้ต้องเอาสมาธิให้แน่นก่อน <c oughs> เหมือนกับก่อนที่เราจะวิ่งนี่เราต้องเดินให้ชำนาญก่อนก่อนที่เราจะเดินได้เราก็ต้องยืนให้ได้ก่อน การเจรินสตินี่เหมือนกับเปรียบเหมือนกับการหัดยืนพอยืนได้เราก็จะเดินได้พอเราเดินได้ก็แสดงว่าเรามีสมาธิพอเดินได้แล้วต่อไปเราก็จะวิ่งได้เี่ยมันเป็นการปฏิบัติเป็นขั้นขั้นไปต้องเกิดจากสติก่อนมีสติแล้วก็จะทําให้เรานั่งสมาธิได้ พอนั่งสมาธิได้มีความสงบแล้วเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็จะใช้ปัญญาดับมันได้อันนี้คือการภาวนาต้องมีมีหลักมีเกณฑ์ <c oughs> ต้องรู้ว่าเราอยู่ขั้นไหนตอนไหนถ้าอยู่ในขั้นเจริญสติก็ให้อยู่กับอารมณเ์เดียวที่เรากำหนดไว้อย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เลย ก็มไม่ทราบนะคะว่าอยู่ข้างใก็ขั้นต้นก็ต้องขั้นสติกันทั้งก่อนถ้ายัางนั่งสมาธิไม่ได้ก็ต้องเจริญสติกอ่อนอย่างที่บอกว่าตื่นขึ้นมาก็ให้บริกรรมพุทโธไปอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดเช่นตื่นขึ้นมาเราต้องเตรียมตัวไปทําภารกิจช่วงนั้นเราก็พุทโธได้อาบน้ำก็พุทโธไปแปรงฟันก็พุทโธไปรับประทานอาหารแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโธพุทโธไป เดินทางไปทํางานก็พุโทโธไปเนี่ยนกว่าจะถึงที่ทํางานต้องพบปะ ก, กับคนนั้นคนนี้ก็ตอนนั้นก็หยุดพุดโทโธไปชื่วข่าวกันทํางานไปพอไม่มีงานต้องทําก็กลับมาพุโทโธใหม่อย่าปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยไปหรือว่าไม่มีอะไรต้องทําช่วงเวลาพักว่างก็นั่งสมาธิถ้ามีห้องให้เรานั่งได้เราก็นั่งสมาธิของเราไปแทนที่จะมานั่งคุยกันมา ดินธากาเลย เ, เราก็ไปปลีกวิเวกหาที่มุมสงบนั่งสมาธิจะดีกว่านี่หมายถึงชีวิตประจําวันในการเจริญสติและสมาธิถ้าเราขวนขวายเราก็จะมีเวลาส่วนใหญ่คนจะบ่นว่าไม่มีเวลากันก็เพราะว่าเราเอาเวลาไปใช้ในเรื่องที่ไม่ไม่เป็นประโยชน์กันพอมีเวลาว่างก็นั่งอ่านหนังสือพิมพ์กันเด่มกาแฟกันคุยกัน อันนี่มันก็เสียเวลาไปเปล่าๆแทนที่จะไปหามุมสงบไปพุโทโธพุโทโธทำใจให้สงบอันนี้ต้องเป็นสิ่งแรกถ้ามีสติแล้วเวลาจะนั่งสมาธิจะสงบง่ายพอเรามีสมาธิแล้วเราก็จะใช้ปัญญาได้เราจะเห็นทุกข์เกิดจากความอยากตอนนี้เราไม่เห็นกันเวลาเราอยาก เวลาเราทุกข์เพราะความอยากแทนที่จะหยุดความอยากเรากลับเรากลับไปทําตามความอยากพอเวลาเราทําตามความอยากความทุกข์มันหายไปแต่มันหายไปเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันกลับมาใหม่เช่นเราอยากดื่มกาแฟถ้าไม่ได้ดื่มมันก็ดงดหยุดหุดเงียดทุกข์ <S <S <P lan ck> พอได้ดื่มแล้วก็สบายต้องอกไปแต่เดี๋ยวอีกไม่นานก็อยากจะดื่มแก้วใหม่ขึ้นใหม่แต่ถ้าเราทุกครั้งที่เราอยากดื่มกาแฟแล้วเราไม่ดื่ม ต่อไปความอยากเดินกาแฟาก็จะไม่เกิดขึ้นมาต่อไปเราก็ไม่เดือดร้อนมีกาแฟาให้ดื่มหรือไม่ให้ดื่มเราก็ไม่เดือดร้อนเนี่ยวิธีที่แก้ความทุกข์ต้องแก้ที่ความอยากอยากไปทําตามความอยากทําตามความอยากนี้มันเป็นการแก้แบบผิดๆคือแทนที่จะทําให้ปัญหาหมดไปกลับไปต่อให้มันยาวขึ้นไป แล้อยากมาวัดจ้ะคออยากมาวัดนี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นปัญหาไม่ใช่กิเลสที่บอกว่าความอยากที่เป็นกิเลสก็เนี่ยอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นแต่การอยากมาวัดนี่เรียกว่าเป็นเป็นมรรคเป็นผอ่าเป็นเป็นอะไรก็เรียกเป็นบุญเป็นกุศลอยากมาวัดอยากทําบุญให้ทานอยากนั่งสมาธิ อยากจะลาออกจากงานไปปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไม่เป็นไรอันนี้เรียกว่าเป็นเป็นมักเป็นทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับการไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลหือการพิจารณาที่ผพันของที่เ่อยู่ใอสือขัตต์ ก็การาคาทกยก็มีหนึ่งความมีเงินเงินเป็นเงนความหลนที่มีอนีี้แล้วมันเป็นความแปลกวนความชั่วนิรันดายที่เราเห็นเนี่ยสั้งนิ่ถึงตาจ้ะคือสั่งทางการที่ดีดว่าแตะว่าถ้าไปม่ก็ให้มาถึงต่ังแล้วก็ย้ายออกจากต่าง เราหมายถึงว่าให้มันอยู่ในใจอย่าไปอย่าไปทํากิจที่ที่จะทําให้เกิดการผิดศีลผิดธรรมขึ้นมาซึ่งจะเสียหายมากกว่าถ้าเรายังไม่มีกําลังที่จะดับไฟก็ให้มันอยู่ในเตาอย่าเอาไฟออกมาข้างนอกแต่ถ้าเรามีน้ําดับไฟแล้วก็รีบดับมันเสียเอาสุภานี่แหละคือน้ําดับไฟแล้วหลวงพ่อบอกว่าเวลาถูกมันจะข้าไปดับจะจะข้าไปดับได้อย่างไร อนูวิตาสง่างูอ่อนมากจริงจังค่ะหนูก็เลยใช้สมถะขับถ่ายหนูพุทโธพุทโธพุทโธทีทีสามวันโยงและมันก็เบกมันก็ลงแต่มันลงแบบระดับหนึ่งพอสวดมนต์าหวะพะสติตั้งยงตั้งยงตั้งลงแล้วมันกเจะโคอยู่ตรงนั้นเลยทุกครั้งแล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเพรว่าหนูไม่ไหวแล้วหนูบอกหตายจะทำไไหวให้หนูผ่านจุดนี้ไปได้อ่ หนูไปแล้วที่จะรายงานที่หลังว่าหนูเอาสมาถานเข้าไปดับเนี่ยมันเหมือนทับยากูกระเกลี่เจาะฐานแล้วเอาอยากทับอยากด้วยอยากให้เขา<ย>ดับคือดยิงยิงร้ายแรงขึ้นไปอ่ะลแล้วก็เหมือนกับประมาณว่าเธอเกิดขึ้นตั้งอยู่เธอต้องดับเธอต้องไปฉันจะคอยดูว่าเธอจะไปเมื่อไหร่มันเหมือนไปท้าทายหรือเปล่าก็แล้วมันเป็นแบบ ตั้งเลยเจอาควงพ่อตั้งอยู่น่แล้วก็ฟูมันก็ไม่รู้ทำยังไงตอนหลังก็มันมันไม่เบาลงต่อหลังก็ใช้ใช้ลองเปลี่ยนวิธีการัน่ใช้วิธีแบบนิ่งมากที่สุดแล้วก็ดูเบาเบาเหมือนจะแอบดูก็บาเบารู้อยู่บาเบาเวลาวู้มีอาการลงนิดเดวค่ะลงไปอยู่ยเหมือนกันแต่ไม่ได้บางครั้งก็กำหนดเป็นมรณะวิสติว่าจอุ้มตาแต่ว่าไม่ได้ดูเป็นอาิภะ ืเพราะว่าตั้งแต่ดูดูอาการสามสิบสองช่วงที่ช่วงที่เคยดนตจติดวัคซีนสี่วันเนี่ย<อ> แ, ล แ, ลแล้วเรลือกเลือกเพ่งลองเพ่งดูช่วงตรงเนี้ยมันจะจ้ามันจะเห็นตื่นตืน่นช่วงขอเจ้ค่ะแต่หมดกําลังเลยเจ้าค่ะเพราะใช้วิธีเพ่งแล้วเราทําไม่ได้ว่าสี่วันเก็บกําลังอย่างนั้นก็จะไม่เห็นเลยเจ้าค่ะก็มืนจินตนาการเอา หูก็เลยใช้ทีอย่างนี้นะ้า่ก็ับก็เบาๆลงมามันเป็นอยู่ประมาณสองอาทกว่าๆที่แรงมากแล้วก็ณวันนี้ก็ยังมอยู่แต่ว่าเบามากแ้จะเห็นเหมือนแค่อิ่งลอยให้เหมือนหีอเหมือนควันแค่ตรงนี้เทั้ก็อยากขอหนิตาอาจารย์ว่อาจารย์สื่งให้ว่าจะใช้ตัวไหนก็พยายามเจรณอสุภาให้มากพิจารณาอาการส2สอง ดูสิ่งที่เป็นปฏิกูลที่ถูกขับถ่ายออกมาจากร่างกายคนเรามันไม่มีแต่ส่วนที่สวยเพียงอย่างเดียวส่วนที่ไม่สวยก็มีไม่มองอย่างที่เคยสอนว่าอย่าไปมองที่หน้าให้มองที่ก้นบ้างไม่ไม่ได้เห็ น, นใช่ไหมวก็แต่เราสังเกตดูจิตเรามันไหลออกไปอะมันไหลออกปกติเหมืกุญโทรุกุญโทรู้หมดมันจะว่างมันจะไหลออกไปให้เห็นเป็นสายเลยกุทุกุญโทรุมันก็กลับมาตั้งแล้วก็ไหลออไปอีกเนี่ มันมันกลังจะออกจากเตาเจ้าค่ะตอนหลังมันจะไหลก็ให้มองว่าเป็นแบบนองบัอุจจาระไหลดูมั่งอ่าให้ดูอุจจาระไหลบังแล้วเดี๋ยวมันก็จะหยุดไหลเองอ่าไอ้ที่นเอ้ออิ่ทไมมันไม่ดับเจ้าคะเพราะว่าอย่างมันเกิดขึ้นก็พยังเห็นยังเห็นว่ามันน่ารักยังไม่เห็นอุจจาระตัวนี้มันยังต้อยู่เลยาแบบเบาๆลองพยายามดูจจระงดูกำหนน้าะเออกหนดดูจจะ ดูบ่อยๆนึกบ่อยๆเข้าไปในห้องน้ําเวลาก่อนจะชักโครกก็ดูสะก่อนแล้วค่อยชักมันดูให้มันติดตาติดใจอาจารย์เจ้าคะทำไมเวลาเราอยู่ในชีวิตประจำวันเจริญสติแล้วมันเป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลาแบบนี้เยอะมันมีความรู้สึกมันไม่อย่างท่านสมาธิเจ้าคะหนูเป็นอยู่เป็นปีแล้วนะเจ้าค่ะเพราะว่ามันเป็นอยู่แล้วก็สติสติเราไม่มีกําลังพอ พอรยจายามเจริญสติให้มากแล้วมันจะนั่งสมาธิได้ง่ายแล้วถ้ามันยังไม่อยากนั่งก็เดินให้มันยังกระทั่งเมื่อยมันก็อยากจะนั่งเองเดินไปเลยสองสามชั่วโมงมึงไม่อยากนั่งกูก็อยาให้มึงเดินอย่างเดียวตอนที่เกือบจะอบเดินนั่งก็อยากนั่งก็อยากเดิ เราต้องหามาแต่การดัดนะฮะตอนนี้ก็ความหลวมพ่อตลอดแล้วก็แบบแต่ความหลวงพ่อแล้จิตตื่นยังไงตีงาาตงาาตสารก็ยังไม่อยากไปนอนครับเขาขึ้นเช้ า, ามีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็แล้วเลิกถึงอสุภาพอยู่เรื่อยให้มันติดตาติดใจอ่องางใช้แล้วแบบรู้สึกว่าทุกคนผ่าอ ก, กออกมาดูบ้างก็ได้ดูปอดดูหัวใจดูลำไส้ดูตับไต เวลา<ม>ดูหน้าคนก็ดูกะโหลกที่มันอยู่ซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังนั่นแหะหน้าคนมันมีอะไรถ้ามันไม่ใช่เป็นแท่หนังหุ้มห อ, อกะโหลกที่สาวย่ามันก็ไมิตภาพออกนะเจ้าคะแต่จะเป็นแบบว่าแหวะจะเป็นแบบนี้เจ้าคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้สลบนมากเพราะว่าไม่ต้องสลบนแล้ไม่ต้องสคะ่ะให้มันดูแล้วมันไม่อยากงันก็พอเพิ่ง <c oughs> แล้วหนูเห็นตรงนี้เป็นข้อๆ <c oughs> แล้วมันมีเป็นเนื้อสี ฟ, ฟูหุ้มๆเนี่ยหนู ว, ว่าเลิกทานเบคอนเดี๋ยเจ้าคะ <c oughs> อันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่วิธีไม่ใช่ราคาต้องเห็นแล้วไม่อยากจะไม่มีการอารมณ์ต้องหาดูส่วนไหนที่มันทําให้เกิดเห็นแล้วไม่เกิดไม่เกิดการอารมณ์ถ้าเห็นแล้วเกิดไม่อยากกินนี่มันคนละเรื่องว่าอันนั้นต้องไปแก้เวลาที่อยากจะกินเบคอนค่อยมาเวลาอดอาหารนีนววถ่ถ้าเกิดเวลาอยากจะ ที่อยากจะกินอาหารก็ต้องอย่าไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานต้องคิดอาหารที่อยู่ในปากที่เราเคี้ยวแล้วลองคายมันออกมาดูซิว่ายังอยากจะกินมันม้ยอันนี้สําหรับคนที่เขากัอาหารกันเวลาเขาปฏิบัติบางทีเขาอยากจะเร่งความเพียรหรือถือศีลแปดเนี่ยพอไม่ได้กินมื้อเย็นเนี่ยพอตกเย็นมันจะหิวมันจะคิดถึงอาหารเมนูต่างๆเลยอยู่ในจาน โอ้อาจารยานนี้ก็อร่อยจานนู้นก็อร่อยก็ลองเอามันยัดเข้าไปในปากเคี้ยวมันแล้วก็คลายมันมาใส่จานใหม่แล้วดูสิว่ามันอยากจะกินอีกหรือเปล่าเอเ อ, เอต้องอย่างนั้นแล้วมันจะไม่อยากกินอนเวลา ท, ท, ที่ช่วงเขาเ้าวพรรษาที่ปีจะตั้งจิตฐานจิตเมื่อจะไม่ทานอาหารช่วงตอนนี้แล้วก็แล้วก็ไม่มีความสิทอยากหรือเปล่ะก็คือนี่ไม่ต้องถานแน่นอนแต่พอวันสุดท้ายก็คือ พอออกไป็นชาไปเยอนี่ครับมันคืออยากความอยากสามเดือนนั้นมาจากไหนนี่ถ้าก็เรามือนหินทับยางไงหินหินทับยางไว้แล้วทไมเราไม่ไม่ไม่อดต่อไปล่ะถือต่อบก็ประมาณจากจากจากที่เวลาจากเวลาที่จ้งเราไว้ก็จะอาจจะยืดไปหน่อยนึงแล้วก็พยายามจะแบบถ้าทําได้สามเดือนมันก็ทําต่อไปได้เรื่อยๆเอาทีละวันต่อทีละวันไปเรื่อยๆเออต่อไปมันก็ทําได้ตลอดเวลา แต่ถ้าไม่ใช้พิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารนี่มันจะไม่หายหล้วมันเป็นเพียงแต่ใช้กําลังสติใช้ความอดทนสู้กับมันถ้าช่วงไหนสติละอ่อนความอดทนละอ่อนเนี่มันก็ไปเลยกินแหลกเลยเนี่ยเมื่อวานนี่มีคนมาคนหนึ่งตอนที่ไปบวชพระนี่ร่างกายก็ผอมฉันมื้อเดียวบวชแล้วนี่กลับมาถามว่าน้ําหนักขึ้นเท่าไหร่ว่าสี่สิบโล <c oughs> นะเนเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ปัญญาถ้าใช้ปัญญาแล้วออกมามันก็มันก็จะไม่หิวอ่ะมันจะกินแบบกินยาละกินเพื่ออยู่จริงๆมันไม่ได้กินเพื่อความอิ่มน้ำสำลานใจเพื่อความสุขเพราะทุกครั้งเวลามันอยากจะกินก็คิดถึงอาหารในท้องบ้างอาหารในปากบ้างอาหารในโถบ้างเพราะนั้นมันก็ไม่อยากกินละ นีกาัใช่ไหมมีสาิกไหค่ะอ๋อนี่สาธิกนี่ก็เป็นการาเล่นความเพียรอีกรูปแบบหนึ่งคือจะไม่ให้นอนให้น้อยที่สุดด้วยการบังคับไม่ให้นอนไม่ให้นอนลาบคือหมายความให้ถือสามวิริยาบทคือให้ยืนเดินกับนั่งเท่านั้นถ้าจะหลับก็ให้หลับอยู่ในสามท่านี้ไม่ให้ไม่ให้มีท่านอนเพราะว่าถ้านอนแล้วมันจะนอนยาวจะหลับยาว ทีนี้ไม่อยากจะนอนมากไงก็เลยถือในสัตชิกก็สกจากอย่างก่อนจะก่อน ไ, ได้ก็ไม่มีใครบังคับอันนี้แล้วแต่ทุกอย่างก็ต้องเสริมจากที่เราสามารถทําได้ไปก่อนแต่ทีนี้ต้องขับรถเลยใชครับมันไม่เกี่ยวนี่พูดถึงเวลาปฏิบัติครับขับรถมันมันเกี่ยวกับใะไรเนสัตชิกปฏิบัติก็อยู่ที่บ้านทําที่บ้านเลยด้แล้วทําไมก็ต้องขับรถด้วยีแล้วมันจะไม่เวิร์กแบบมันต้องนอนด้วยหลับในอ๋อถ้าหลับในก็คุณก็ ก็คนก็ต้องถือไม่ได้สิมันก็เป็นอันตรายต่อการขับรถเดี๋ยวก็ลดความตายไปเว่าเคยช่วนีจะดนอนดูนฝาดเซ้ายไปดูเดนขวาอ่าไม่ไอันนี้ก็หมายถึงพวกที่เขาอยู่วัดปฏิบัติไม่ไปไหนกันถ้าเรายัางต้องเดินทางขับรถขับลาต้องไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นเราก็ต้องมีสติสตังไม่ใช่แบบง่วงนอนทําไปนีมันไม่ได้หรอก ต้องรู้จักกาลเทศะว่าเราอยู่ในสถานภาพใดทำปฏิบัติกิจแบบจเจริญทำแบบนี้ได้หรือไม่ไม่ใช่ว่าจะทำแบบตะพุทธตะเืย อ, อย่างนี้เราก็เกิดผลเสียหายตามมาแทนที่จะเกิดประโยชน์กับเกิดโทษอย่างนี้ก็เสียเวลาไปเปล่า <c oughs> ในมนในการถือในสานชิกอะครับพ่อจาันในสมัยก่อนที่เคยบวชอยู่ที่แม่ห้องสอนนะครับมีอยู่อาทิตย์หนึ่งนะครับที่อธิษฐานว่าหลังจะไม่แตกพื้นหนึ่งอาทิตย์นะครับออแต่ว่าเราไม่มีความสามารถพอที่จะนั่งสมาธิหลับอย่างนั้นนะครับ เ, ออเราก็เลยหลับแบบเอาหลังพิงฝาออแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือนอนน้อยแต่สติมากเอนั่นแหละครับใชออ่การนอนมากนี่มันเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาน เป็นนิวรณ์ท่านก็เลยมีมาตรการบางคนไม่ถูกกับในสัตชิกก็ใช้การอดอาหารแทนเพราะเวลาอดอาหารแล้วมันจะไม่ค่อยง่วงนอนเนี mm ่ย hmm. แล้วแต่จริตของแต่ละคนว่าถนัดทางไหนสะดวกทางไหนสบายทางไหนบางคนอดอาหารแล้วสบายภาวนาไม่นอนเลย mm hmm. บางคนอบางคนในสัตชิกแล้ว ง่วงตลอดเวลาแที่แปลกใจคือกลับมีสติมากากว่าปกติครับอาจารย์ทั้งนี้อดนอนนะครับเกาเลยรู้สึกแปลกใจดีเพราะจิตมันตื่นไงจิตมันตื่นอันนี้ก็เป็นมาตรการต่างๆมาตรการเสริมที่จะช่วยให้การปฏิบัติของของเรานี่มันก้าวหน้าไปง่ายขึ้น ปัญหาอุปสรรคต่างๆคือนิวรณ์ห้าประการด้วยกันนิวรณ์ห้าประการก็ความง่วงเหงาหงาแนอนนี่ก็อันหนึ่งถ้าใช้เนสัตชิกหรือใช้การอดอาหารนี่มันก็จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้นี่หน้าอยู่เมืองนอกจะไม่ง่วงก็ว่าไม่แบบแบบเย็นันไม่ทานไม่ทานจุดกๆทานเยอะออทานเยอะแล้วก็ นเขาถึงบอกหนังท้องตึงหนังตาหย่อนไงเคยปี๋เจ้าขาดายได้เพราะว่าดูลงตอนแรกดูลงหายใจไม่ได้สุดๆดูหายใจแล้วมันม้วนจะหละบคาคาคาพุท่านวยหลับคาพุท่านั่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมถึงต้องซือศีลแปดกันเป็นอย่างน้อยเพราะศีลแปดนี่จะช่วยตัดนิวรณ์ต่างๆได้เยอะตัดการมาชั้นทะความอยากในรูปเสียงกลิ่นแเพราะเราจะได้ไม่ดู ไม่ฟังไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะได้มีเวลามาเจริญสตินั่งสมาธิถ้ามีสติมันก็จะไม่ง่วงสตินี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ตื่นถ้าเราเจริญสติได้นี่ปัญหาต่างๆก็จะหมดไปเจริญสติได้ก็ควบคุมความหิวได้ควบคุมการอารมณ์มได้ควบคุมอะไรต่างๆได้หมดใจสงบได้ แต่ถ้าไม่มีสติก็ต้องอาศัยมาตรการอย่างอื่นเสริมไปก่อนเช่นไม่ถือศีลแปดไม่ไม่นอนใช้สามิระยาบทหรืออดอาหารหรือไปอยู่ที่ห่างกกลจากรูปเสียงกลิ่นรสแสงสีเสียงต่างๆอันนี้ก็จะช่วยทำให้การนั่งสมาธิเป็นไปได้ดีดได้ผลดี แต่ถ้าเราอยู่ใกล้กับแสงสีเสียงเดี๋ยวมันก็มายุ่ยวยวนควรใจเราเนียลองไปถือสินแปดนั่งภาวนาที่บ้านไกลบ้านคนอื่นเดี <m akes> ๋ยวคนอื่นก็ทํากับข้าวปุงเป้งปุ้งเป้งได้ยินเสียงมันก็ <c oughs> <c oughs> ได้กลิ่นอาหารโชยมาเป็นคนทําเองแตถือเองไม่ไม่ไม่รู้สิ่อยา่างเออก็ดีถ้าไม่มีปัญหาอย่างไงก็ดีไปแต่ละคนมีปัญหาไม่เหมือนกันเพราะความอยากของแต่ละคนมีมากมีน้อยต่างกัน อันนี้เราก็ต้องประเมินดูตัวเราว่าอะไรเป็น เ, เป็นประโยชน์กับเราอะไรเป็นโทษกับเราสิ่งที่เป็นโทษเราก็ต้องพยายามกําจัดมันสิ่งที่เป็นประโยชน์เราก็พยายามทําให้มันมีเพิ่มมากขึ้นไปแต่อสุภาพิตไม่ได้ผลจริงๆคือสมัยก่อนจะ <c oughs> ชอบแบบธรรมดาคุณหน้าตาหลอก <c oughs> แต่ว่าพอปุ๊บเห็นกระโหลกไม่หายบ้กเลยเออนั่นแหละเพราะเห็น เ, เห็นในช้องทุกคน อเยำน้เนี่ใส้แล้วมีอึดเนี่ยแล้วกิ่นมาด้วยเนี่ยหายเลยใช่นะก็ลองลองทำอย่างที่เขาดูเนี่ยหายหมดเลยแต่แต่มันยังไม่เห็นแบบ ก็ไม่มองบ่อยๆมันก็ไม่เห็นเลยน้องมองบ่อยๆเลยน้องคิดถึงมันบ่อยๆก็เดี๋ยวมันก็จําได้แล้วเวลานั่งนั่งสมาธิเนี่ยแรกๆที่ดูก็คืออาการทั้งสมองกิดผมคนเล็บปนาคือเห็นนะเจ้าค่ะแต่มาไปเป็นภาพอยู่ข้างนอกว่าเจ้าค่ะเป็นผมเหมือนเกสาคุณบาอาจารย์หรืออะไรจะเป็นผมไครก็ไม่ทราบมันจะเป็นภาพปรากฏข้างนอกมันกระดูกก็อยู่ข้างนอกเ้าค่ะมันไม่ได้เห็นในตัวเราอย่างเนี้เจ้าค่ะไปเปิดหนังสือแพทย์นักศึกษาแพทย์ดูสิที่เขา ศึกษาอวัยวะต่างๆเลยครับอืมไปดูนี่จะเห็นเลยปอดหัวใจตับอะไรทุกสับทุกส่วนหรือไปดูเข้าผ่าศพบ้างก็ได้ที่ตามโรงพยาบาลเนี่ยอเออเนี่ยทุกพรรษาพากวันนี้เขาจะไปไปโรงพยาบาลตํารวจแล้วก็จะได้ไปดูการผ่าศพกันจะได้เห็นของจริงหมายถึงพักทั้งหมดหรือว่าเฉพาะบนเขาครับอาจารย์ใครก็ได้ใครอยากจะไปออก็ได้เอใจลส่วนใหญกจะ ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าบวชใหม่กันผ้าเก่านี้เขาเคยไปมากันแล้วทั้ดเลยขออภัยนะขาแข้ขงขามันจะเป็นตะคิวเอาแค่นี้ก่อนนะพอสมควรก่เวลานครับน้องปั้นน้องปั้นฝากมาถวายพระอาจารย์ครับมาห้าร้อยบาทแล้วก็ถวายไม่กว่าสิบอันด้วยน้องปั้นเพื่อรีบเข้าโรงเรียนครับน้องปั้นใครปั้นที่ลูกของคุณจิตกรนะครับอ๋อ อันมูนทนาอะไรอลไรยังไง